ทีนี้พอพระ อ, องค์พิจนารณาถึงทุกขังมวลของสรรพสัตว์เนี่ยนะตามที่มีอยู่พระ อ, องค์ก็อุทานขึ้นมาในขนะดนั้นน่นะอุทานว่าโลกนี้เกิดความเดือดร้อนแล้วน่นะถูกภาษะครอบงำย่อมกล่าวถึงโรคโดยความเป็นอัตตาถูกภาษะครอบงำนะภาษาทะวารหกภาษะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วกล่าวถึงโรคว่าเป็นอัตตาท่าน โรคตัวนี้หมายถึงอุปาทานขันห้าไปสําคัญว่าอุปาทานขันห้าเป็นอัตราเขา้าไะจริงๆแล้วมันเป็นอัตราไหมไม่เป็นไม่มีอะไรเป็นอัตราสักอย่างหรอกแต่ว่าไอ้ความวิปลาดของศาสตร์ทั้งหลายอะไปสําคัญสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นอัตราเพราะฉะนั้นอันนี้แหละที่เป็นเหตุให้ศัตว์เนี่ยเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่งเดือดร้อนเร่าร้อนเป็นอย่างยิ่งเพราะสําคัญผิดในอุปาทานขันว่าเป็นอัตตานั่นเอง เ น, นี่ยคือไปสําคัญโรคว่าเป็นเราอ่ะนะสมมติว่ า, ามีก้อนมะเร็งกันขึ้นมาหนึ่งก้อนเนี้ยโอ้นี่เราเกิดขึ้นแล้วมันจะเดือดร้อนขนาดไหนใช่ไหมก็เคยถามหมอหลายครั้งกันว่าเอ๊ะแล้วมีส่วนไหนบ้างไหมที่ไม่เป็นมะเรง็งในสรีระเนี่ยนะหมอบอกไม่มีเมืม่อไม่มีวพวกเราทั้งหลายที่ยินดีในกายก็คือยินดีในก้อนมะเรง็เรงเหมือนกันไม่ได้ต่างอะไรจากคนเป็นโรคมะเร็งอะไรกันเท่าไหร่นะ พรอยินดีในอุปาทานกันขันกันพออเพราะไอ้โรคทั้งหลายก็ลงที่ไหนลงที่อุปาทานขันอุปาทานอขันเนี่ยเป็นรังของโรคเป็นที่เกิดแห่งแห่งโรคเนี่ยนะท่านก็ยังสําคัญว่าสิ่งนี้เป็นอัตตาเข้านั่ น, นก็โลกย่อมสําคัญโดยประการใดขันถ้าปัจจักอันเป็นวัตถุแห่งความสําคัญนั้นย่อมเป็นอย่างอื่นจากประการที่ตนสําคัญนั้น คือถึงจะไปสําคัญยังไงมันก็ไม่เป็นอย่างสําคัญหรอกสมมติว่าเราสําคัญว่าขันห้าเนี่ยมันเป็นความสุขนะมีขันห้าเนี่ยนะอ่ะมันสุขจริงๆริงไมล่ะเอาอย่างนะสมมติว่าขันห้ามันดํารงอยู่ด้วยปัจจัยเนี่ยนะถ้ามันขาดปัจจัยแล้วอุปาทานขันห้ามันจะสุขได้อย่างไงเพราะฉะนั้นอย่างสมมติว่าอาหารเนี่ยนะกับพลิงกะลาหารเนี่ยความอิ่มทั้งหลายเนี่ยดํารงอยู่ด้วยกับพลิงกราหานนะถ้าขาดกับพลิงกะลาหารเดือดร้อนขนาดไหน สุขเวทนาเนี่ยดำรงอยู่ด้วยผัสสะหารถ้าขาดผัสสะหารสุขเวทนาก็ไม่ได้เดือดร้อนอีกวิบากและกรรมชรูปบดำรงอยู่ด้วยมโนสันเจตนาหารทีนี้ถามว่าถ้ากรรมเนี่ยนะกรรมเนี่ยเสียหายไปเนี่ยวิบากกรรมชาชุบอยู่ได้ยังไงนามรูปทั้งหลายดำรงอยู่ด้วยวิญญาณอาหารถ้าวิญญาณอาหารเสียหายไปนามรูปจะอยู่ได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็ก็เดือดร้อนนะนะ เธอไปสําคัญยังไงนะสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เป็นอย่างสําคัญทั้งนั้นไปสําคัญว่าสุขมันก็ไม่สุขจริงเพราะมันอยู่ด้วยด้วยปัจจัยเนี่ยนะถ้าปัจจัยเหล่านั้นนนัเ้เปลี่ยนไปมันก็ไม่เที่ยงแล้วจริงๆปัจจัยก็ไม่เที่ยงด้วยเมื่อปัจจัยไม่เที่ยงผลคืออุปาทานขันห้าจากเที่ยงมาแต่ไหนแล้วสิ่งที่ไม่เที่ยงอ่ะไปสําคัญว่าสุขมันก็ไม่ได้สุขอย่างคิดถ้าไปคิดว่ามันเป็นอัตรานะ ใครทำขันห้าให้เป็นอัตราได้บ้างอาทำไม่ได้อยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าเอาหนึ่งนะที่เกิดหนึ่งที่เกิดมาแล้วขออย่าแก่ทำได้ไม่มีใครทำได้ที่แก่แล้วก็อย่ า, ยาเสียหายที่เสียหายอย่างไรอย่างก็ขออย่าตายเนีย่ยนะก็ไม่ได้ใช่ไหมขออันนี้ขอกันไม่ได้จริงๆนะถ้าขอกันได้นะอูยรัฐบาลเนี่ยที่เสนอตัวเข้ามาแก้ปัญหาทุกยากของประชาชนนะทาได้หมดแล้ว อันนพ่อแม่แก้ความทุกข์ทั้งมวลให้ลูกได้แล้วแต่จริงๆแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าสัพพสังขารทั้งหลายดำรงอยู่ด้วยปัจจัยทีนี้สิ่งใดที่ดำรงอยู่ด้วยปัจจัยนะสิ่งนั้นมันจะเดือดร้อนขนาดไหนมันจะทุกข์ขนาดไหนเนี่ยนะเพรา ะ, ะนั้นสิ่งนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นเป็นทุกข์อย่างยิ่งอันนะัก็ไปสําคัญสิ่งที่ไม่ควรกับการสําคัญนะนะสรุปว่าไปสําคัญว่าเที่ยงขันก็ไม่เที่ยง ไปสําคัญว่าสุขขันก็ไม่ได้เป็นสุขไปสําคัญว่าเป็นอัตตาขันก็ไม่ได้เป็นอัตตาเนี่ยนะก็มันเพี่ยงกันขนาดนั้นนะนะไปเที่ยวสําคัญหมดเนี่ยเขาเป็นของเราเนี่ยนะภูเขาลูกนี้เป็นของเราไฟไหม้เราก็เดือดร้อนอีกใบไม้ร่วงเราก็เดือดร้อนอีกเนี่ยนะซึ่งมันก็เขาวันยังค่านั่นแหละมันก็ไม่ได้ใครไม่ใช่ของใครไม่มันก็เป็นภูเขาอยู่อย่างนั้นนหะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยแต่ทําไมเราเมากันขนาดนั้นไปสําคัญว่ามันเป็นเราเข้าซะอีกเนี่ย แผ่นดินมันก็เป็นแผ่นดินอยู่อย่างนั้นนะแต่ก็แอะความสำคัญก็ไปสำคัญว่าเออดินเนี่ยเป็นเราไอเราสำคัญว่าดินเป็นเราจริงไหมคุณูดินเี่เป็นสองอย่างดินภายในกับดินภายนอกนั่นแหะพอสำคัญดินภายในก็เลยสำคัญดินภายนอกอยู่ด้วยพอสำคัญผมผนเล็บฟันหนังไปที่เป็นดินภายในเข้าเอ๊มีสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องมีดินภายนอกเป็นที่อยู่ใช่ไห เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างคนไทยทั่วๆไปก็บอกใครที่สร้างเนื้อสร้างตัวนะมีบ้านมีที่ดินเป็นของตัวเองเป็นต้นนี่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้ใชชีวิตเนี่ยนะมันก็คือเนื่องจากสําคัญปัตวีภายในก็เลยสําคัญปัตวีภายนอกเข้าไปด้วยเนี่ยนะเพราะนั้นใครที่มีบ้านอยู่มีเนี่ยนะมีบ้านคือปัตถวีภายนอกมีที่ดินคือปัตถวีภายนอกเนี่ยนะก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วใช่ไหม แล้วก็ไปสําคัญว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเราเข้าทีนี้สําคัญว่าบ้านเป็นของเราทีนี้ปลวกมันกินนราจะว่าไงกันี mm ้ hmm. เดือดร้อนกับปลวกอีกนะปลวกนี่แหละเป็นพยามานเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อมันกินบ้านเราทํำยังไง mm hmm. เชมท็อกปรึกษาเขารับนมดนะ mm hmm. ก็เลยทําปานาติบาตเลยกันนี้ท่า น, นก็เดือดร้อนเพราะข้อความสําคัญนั่นแหละเพราะสําคัญยังไงก็ไม่เป็นอย่างสําคัญ เพราะฉะนั้นโลกค้่องแล้วในพบมีความแปรปรวนเป็นอื่นถูกพพเนี่ยครอบงำแล้วย่อมเพลิดเพลินในพบนั่นเองอคำว่าพพในที่นี้ก็คือที่นั่งนั่งกันอยู่เนี่ยถือว่าคนละพคนละคนละพบกันเลยเนี่ที่นั่งกันอยู่เนี่ยมีมีพบไหนที่มันมันไม่แปรปรวนบ้างไม่นี่นำไปซึ่งความแปรปรวนไปหมดนะแต่อีกสิบปีข้างหน้านะทุกคนเนี่ยทาให้มานั่งอยู่ที่เดิมเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นนะ เก็บภาพปีนี้กับอีกสิบปีข้างหน้ามานั่งดูกันเนี่ยนะจะเหมือนกันไหมหรือว่าถ้าเป็นเหตุการณ์แบบนี้สักยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยนะยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยบรลลังเงินว่างไปเยอะเหมือนกันนะนะผู้การหนุ่มวันนี้เยอะเนี่ยนะถ้ายี่สิบปีที่แล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสังขารทั้งหลายที่ไปสําคัญยังไงก็ไม่เป็นอย่างที่สําคัญแต่ว่าไอ้สิ่งที่มีความแปรปรวนอย่างนี้สัตว์ทั้งหลายกลับไปไปเพลิดเพลินเมื่อไปเพลิดเพลินเข้า ก็ถูกพบนี่ครอบงำคือเหมือนกับว่าเราไปให้ค่ากับวัตถุใดด้วยอํานาจฉันทราคะเนี่ยนะวัตถุนั้นก็มีอํานาจเหนือเราแล้วใช่ไหมถ้าถ้าเราสมมตนะิเราไปให้ค่ากับกับวัตถุใดวัตถุหนึ่งนะโอ้โหวัตถุนั้นดีจริงๆยอมรับเป็นเทพพระเจ้าอย่างเงี้ยสมมตินะโอ้โหให้ให้ค่ามากแล้ววัตถุนั้นจะเริ่มเล่นงานเราเข้ามาเรื่อยๆเพราะสิ่งที่เราไปไปให้ค่านั้นมันไม่ไม่ได้เป็นของดีจริง ชั้นไดก็ดีถ้าเรามาให้ค่ากับร่างกายเนี่ยนะร่างกายรูปธรรมนามาทำจิตใจอุปาทานขันห้าเนี่ยถ้าเรามาให้ให้ค่ามันมากนะเดี๋ยวมันจะเล่นงานเราละนะมีตาตาก็เล่นงานนะอย่างหมอเล่านะมีหูก็หูเล่นงานอีกมีผมก็ผมเล่นงานมีเล็บเล็ บ, เ ล, บเล่นงานมีฟันเนี่ยก็โอแปลงฟันวันละหลายรอบเหมือนกันนะ หมอถอนไปเยอะแล้วนะฟันก็เล่นงานอีกเพราะฉะนั้นมีอย่างอื่นมันถูกเล่นงานหมดอ่ะนะมองมามีกระเพาะกระเพาะก็เล่นงานมีไส้ไส้ก็เล่นงานเนี่ยนะว่ามีอะไรไม่ถูกเล่นงานบ้างกันนะนึกถึงอาจารย์ส ม, มนท่านบอกว่าโอ้โหเนี่ยพอมันเป็นโรคลำไส้นะนึกได้เลยว่าแหมเรายึดลำไส้มากกวนะ่านั้นนะแต่ถ้าเนี่ยยอเข้ามาเล่าว่าเขาเป็นโรคไตเนี่ยนะพอรู้ว่าเป็นโรคไตเนี่ยนะไอความสดใสไม่รู้หายไปไหนหมด เมื่อก่อนยิ้มแย้มแจ่มใสตอนหลังเนี่ยก็จะโทมานับมากนะก็ตอนแรกก็ดูไม่ยึดตายะนะตอนหลังตายมีปัญหาก็ยึดอีกแล้วเพราะฉะนั้นมีส่วนไหนมันไม่เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ทั้งนั้นก็ถูกสิ่งเหล่านั้นอ่ะมันครอบงําจิตใจเข้าทําให้จิตใจเนี่ยเต้นไปด้วยความทุกข์หมดอนะนะเพรา ะ, ะมีกระดูกกระดูกก็ครอบงําจิตใจไม่คุณที่เรามามาเห็นอยู่แล้วะนะโอโ้โหโทมานับมากเลยใช่ไห ม, ไมอ๋อ ก็สู้ก็สู้ไปมันก็เป็นอย่างนั้นของมันน่ะกระดูกมันก็กระดูกวันยังค่อมนะเราจะสู้จะแพ้จะชนะมันก็กระดูกวันยังค่อมนั่นแหละเนี่ยนะคือจะไปสําคัญยังไงในผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกหัวใจตับไตพังผืดม้ามปอดลำไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าน้ําดีน้ําเลือดน้ําเสลดน้ําน้องน้ํามันข้นน้ํามันเลี้ยไปให้ค่ามันยังไงนะมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราเราต้องการเนี่ยนะจะประคุณเอ้ยผมที่งอกแล้วเนี่ยนะ ยังออกเลยไม่ได้ใช่ไหมเจ้ประคุณเอ้ยผิวหนังที่มีอยู่ขออย่าได้เหี่ยวเลยนะงี้ยก็ไม่ได้ที่เหี่ยวแล้วอยากขึ้นตกกระเลยนะมันก็ไม่ได้กันนะสรุปแล้วมันไม่ได้อย่างที่คิดแม้แต่ความคิดนะดูเราคิดเราเองนะเจ้ประคุณเอ้ยเธออย่าเสียใจนักเลยทําไมเธอจึงเสียใจนักน้องี้ยนะทําทได้แล้ว จำมนิดเนี่ย น, นั่งยิ้มให้มันทั้งวันสิไปเสียใจทําอะไรเนี่ยนะก็นั่งทําได้เวลาไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเนี่ยนะเพราะอะไรยุงบินว่อนมาก็เดือดร้อนอีกล้เนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์หมดนั้นไปสําคัญยังไงเนี่ยนะอุปาทานขันเนี่ยทั้งรูปขันนามขันก็ไม่ได้เป็นอย่างสําคัญเพราะฉะนั้นเมื่อสําคัญในอุปาทานขันมากอุปาทานขันมันก็เล่นงานเอาเลยนะก็เล่นงานเนี่ยนะเพราะขันไม่เที่ยงเลยที่เราไปสําคัญว่าเที่ยงก็เดือดร้อนอีก อุปาทานขันมันเป็นทุกเราไปสำคัญว่าเป็นสุขมันก็เล่นงานเราอีกอุปาทานขันมันเป็นอนัตตาเราไปคิดว่าเป็นอนตานะไอ้คำนี่มันก็ครอบงำท่วมทับจิตใจทีนี้ถ้าครอบงำนะมันก็เป็นเป็นอะไรเป็นเทพเจ้าควบคุมจิตใจเราหมดเลยใช่ไหมถ้าอุปาทานขันมันดีเป็นปีรูปสารูปแหมยิ้มมากมีความสุขเหลือเกินฉันนี่มีบุญวาสนามากที่มีอุปาทานขันดี พออุปาทานขันอันนั้นแหละเสียหายไปก็เออเดือดร้อนอีกนะมีคนโยมคนหนึ่งเขาเขามีขันห้าในแหละเขาโหดีใจกับที่มีขันห้านะตอนเขาป่วยเขาบอกแหมเขาไปทําบาปทํากรรมอะไรมาเขาว่ากันทําไมเขาจึงเจ็บทําไมเขาจึงป่วยเขาจะหายไหมเนี่ยเขาว่ากันเขาจะหายไหมเนี่ยเขาอายุเจ็บสิบกว่าแล้วนะก็ถึงหายมาก็สภาพก็ไม่รู้จะเป็นแบบไหนอีกก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็หวังอยู่เสมอว่าเขาจะหายไหมเนี่ยหายไหมเนี่ย ยังชอบหมอวินิจหมอวินิจเขาบอกว่านั่นแหละเขาบอกว่าก็มีคนไข้ ค, คนหนึ่งอายุเก้าสิบกว่าไปปรึกษาเขาบอกว่าเขาก็มานั่งเล่าให้หมอฟังว่าเขาเนี่ยป่วยอยู่ในตัวเนี่ยโรคสิบกว่าอย่างเหมือนกในตัวนะคือจริงๆนิะมันมากกว่านั้นอีกนะถ้าเขาคิดตรงไหนมันก็ปวดตรงนั้นหมดนั่นแหละมันก็เป็นโรคได้ทุกส่วนน่ในร่างกายนะอายุเก้าสิบกว่าแล้วไปปรึกษาแล้วจะให้เขาทํำยังไงหมอก็บอกตรงๆเลยไปหลอมใหม่ เก้าสิบกว่ามันรวนขนาดนั้นเนี่ยนะไม่รู้จะปะผูกได้ตรงไหนได้บ้างกันนะยากมากกันนะเหมือนกับรถแหมรุ่นมาสักสมัยขอภายในรุ่นโน้นอ่ะสมัยราชการที่ห้านะไม่รู้จะมาซ่อมมาปะผูกันใช้ได้ยังไงเนี่ยนะกระต๊อบเสรบแล้วดูซื้อคันใหม่เถอะเนี่ยนะแต่ก็แหมถ้ายินดีเพลิดเพินนะขอซ่อมเถอะนะขอปะผูกปะไปป ะ, ปะมาเปลี่ยนอะไหลไปเปลี่ยนมาเนี่ยมันก็เป็นคันใหม่ไปเรียบร้อยแต่และ เพราะอะไรเพราะของเก่ามันใช้ไม่ได้สักอันเดียวเนี่ยนะเพราะนั้นเมื่อสิ่งเหล่านั้นมันเปลี่ยนไปมันเสียหายไปเนี่ยสบายใจไม่เล่าเนี่ยนะสิ่งใดที่เราเคยเพลิดเพลินสิ่งนั้นจะนํามาซึ่งซึ่งความทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่ขนาดนั้นก็ยังยังคิดถึงพบใหม่อีกอยู่ดีเนี่ยนะเกิดคนที่มีพบแปรปรวนไปแล้วนะมีใครม้างอะที่ไม่คิดถึงพบใหม่น้อยมากอะเวน้เว น, เว น, นเว้นพระอรหันต์เสียนเนี่ยนะ บุคคลทัวๆไปก็ยังคิดถึงพบใหม่เนี่ยนะหลายๆท่านเนี่ยก็มาปรารถให้ฟังบ่อยๆอยู่แล้วใช่ไหมเอ๊พบใหม่จะเป็นยังไงเนี่ยนะก็แสดงว่าเตรียมเรือลําใหม่ไว้เบ็ดเสร็จแล้วนะบ้านอันนี้พังซ่อมใหม่ไว้แล้วก็ขอหลังใหม่เธอะหลังใหม่มันจะเป็นยังไงคือซึ่งต่างจากพระอรหันต์เนี่ยพระอรหันต์ท่านบอกว่าทิ้งอุบทิ้งทุกอันนี้แล้วว่ะจะไม่ขอถือเอาทุกขอันใหม่ถ้าท่านทิ้งภาระอันนี้แล้วไม่ขอเอาภาระอันใหม่ของเราก็หมา ใจดีมาอะไรกัใจดีหรือว่าไม่ดีอ่ะหรือว่าไม่ฉลาดอ่ะนะบอกแม้หมดภาระอันนี้นะขอเอาภาระอันใหม่ก็ภาระเป็นชื่อของอะไรภาระหาเวปัญจากขันธานีขันห้าเป็นภาระใช่ไหมเมื่อเราทิ้งภาระอันนี้ขอขอเอะขอเอาภาระอันใหม่อีกอันนึงเถ้าได้ภาระอันใหม่อีกขออีกเธอขอภาระอันอื่นอีกนะถามว่าสังเกตได้ยังไงว่าเราเพลิดเพลินในเนยะ ก็ถามคนที่อายุมากๆดูแล้วไม่ค่อยมีใครบอกว่าฉันจะดับรอบแล้วนะเนี่ยซึ่งกองทุกเนี่ยไม่ค่อยมีพูดถึงเลยนะก็ทุกการยังขนาดศึกษาขนาดนี้ยังบอกใหม่ก็มองหาพบใหม่อยู่เหมือนกันตรงนั้นอยู่ที่ไหนดีเนะบุคลาลย์นะฟังไปฟังมาก็บอกเอ๊ะจะาดูจากเป็นมนุษย์อีกทีไปที่ ไ, ห, ไหมเหมือนก็มันไม่เอาแล้วมนุษย์มนุเอาไงบกแล้วแต่มันจะเป็นเถอะงั้น สัตว์โลกย่อมเพลิเพลินสิ่งใดสิ่งนั้นก็เป็นภัยเนี่ยนะเพลิดเพลินสิ่งใดสิ่งนั้นก็น่ากลัวภัยนี่แปลาจากบาลีว่าน่ากลัวแปลเป็นไทยไทยเราว่าน่ากลัวจริงๆแล้วเพลิดเพลินกับสิ่งใดนะสิ่งนั้นจริงๆมันน่ากลัวแต่ด้วยด้วยอํานาจของกิเลสมันตกปิดไว้นะก็เลยนึกว่ามันไม่น่ากลัวแต่จริงๆแล้วมันน่ากลัวสัตว์โลกกลัวสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นทุกข์อัน จริงๆมันก็เป็นทุกข์ด้วยจริงๆนั่นแหละสิ่งที่เขากลัวมันก็ทุกข์จริงๆอีกแต่ก็เพลิดเพลินสิ่งใดสิ่งนั้นก็เป็นภยัยถ้ากลัวสิ่งใดอ่านะสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ก็บุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อจะละภพบนั่นแหละเพราะฉะนั้นอริยมรรคที่พระพุทธเจ้าปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยมันเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วเป็นข้อปฏิบัติเพื่อพ้นจากจากภพทั้งมวล ก็สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งกล่าวความหลุดพ้นจากภพด้วยสัตตถิฐิเรากล่าวว่าสมณะพรามเหล่านั้นทั้งหมดไม่หลุดพ้นไปจากภพเนี่ยนะถือถือว่าโอ้โหนะไปอยู่ณนะดินแดนแห่งหนึ่งแล้วที่นั่นอมะตะอันนี้ไม่มีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นความบริสุทธิ์หรือความหลุดพ้นจากภพไปด้วยภพเนี่ยไม่มีหรอก เมื่อปอยู่ในภพแล้วจะ บ, บริสุทธิ์เองเนี่ยนะไม่มีของมาเคย ร, รู้จักพระรูปหนึ่งท่านบอกว่าทั้งผานทั้งมัณฑิตทั้ ง, งโง่ทั้งฉลาดทั้งชั่วทั้งอะไรก็ตามเนี่ยนะในที่สุดจะพ้นทุกข์กันหมดเนี่ยนะมันก็เป็นความเข้าใจผิดของท่านอย่างมากมันท่านรูปนี้ก็จะไม่ขวนขวายอะไรเพราะท่านถือว่าในที่สุดชีวิตท่านจะ จะต้องนิพพานเนี่ยนะเพราะท่านถือความบริสุทธิ์ด้วยภพใช่ไหมเวียนว่ายตายเกิดไปถึงณจุดหนึ่งแล้วก็ถึงความพ้นทุกข์เองเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะเออหมเหมือนอะไรเหมือนกับว่าเรามีสวนลำไ ย, ยเนี่ยสวนเนี่ยลิ้นจี่ก็ได้มีเป็นร้อยไร่เลยนะเสร็จแล้วมเมล็ดทุกมเมล็ดที่มันออกมานะเก็บพันุ์ไว้หมดถึงฤดูการก็เพาะปลูก พอปลูกไง น, นะแล้วก็มีพื้นที่ขยายอย่างเงี้ยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยแล้วเขาบอกว่าสักวันหนึ่งเขาจะเลิกทําไรอ่า น, นะเมื่อเขาทําไปถึงจุดหนึ่งแล้วนะแล้วมันจะศูนย์พันเองไอ้รินจี่อันนี้ศูนพันนี่ไหมไม่มีนะก็พอปลูกอย่เงี้ยไปเรื่อยโดยที่ไม่มีสิ้นสุดกรรมและผลของกรรมก็ฉะนั้นเหมือนกันเนี่ยนะที่เป็นไปแล้วไม่มีความสิ้นสุดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครถือว่าตัวเองเนี่ยหลุดพ้นด้วยภพเนี่ยนะไม่ใช่ฐานะ หรือหลุดพน้นด้วยอำนาจของศาสตทิสิก็ไม่ใช่ฐานนะเพราะอไรเพราะว่าตัวที่จะทําให้หลุดพ้นคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปดนะไม่ใช่มรรคใดมรรคหนึ่งมรรคเดียวนะมรรคเดียวนี้ไม่มีนมีมรรคเดียวอ่ะเอาองค์มรรคองคใดองค์หนึ่งเนี่ยนะทำให้บรรลุ่วเป็นไปไม่ได้ต้องมรรคอันประกอบไปด้วยองแปดเนี่ยนะก็หรือสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งกล่าวความสลัดออกจากภพ ด้วยความไม่มีภพเรากล่าวว่าสมณะพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดไม่สลัดออกไปจากภพคือเขาบอกว่าเขาจะหลุดพ้นได้ด้วยอุเฉททิฏฐิเนี่ยนะคือเขาถือว่าทุกอย่างตายแล้วก็ศูนย์เนี่ยนะตายแล้วก็หมดกันอันนี้ก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตที่เป็นจริงแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมพอจุติแล้วถ้าผู้ที่ยังมีฉันทะราคาประปฏิสนธิเนี่ยสนธิแปลว่าอะไรสนธิแปลว่าต่อ จุติแปลว่าเคลื่อนปฏิสนธิปฏิตัวนั้นแปลว่าเฉพาะสนธิแปลว่าต่อก็คือ น, นําเอามาต่ออีกเฉพาะเนี่ยนะต่อเหมือนอะไรต่อเหมือนอย่างว่าจิตเห็นเกิดขึ้นสัมปติชนะเกิดต่อสันติรณะก็จะเกิดต่อจากจิตเห็นเนี่ยนะฮั้นจุติแปลว่าเคลื่อนปฏิสนธิแปลว่าต่อเฉพาะปฏิแปลว่าเฉพาะสนธิแปลว่าต่อเนี่ยนะก็ต่ออีกไงนะแต่ว่าคนละกรรมกันเนี่ยนะ มันมันก็เลยเป็นข้อต่อที่ที่จากคนละกรรมกันแต่ทีนี้พวกอุเฉ ท, ท, ทิธิไม่ได้ถืออย่างนั้นใช่ไหมถือว่าจบเลยเนี่ยนจุติจิตเกิดเรียบร้อยเนี่ยนยชีวิตทั้งชั่วทั้งดีทั้งพานทั้งมันดิตชีวิตเหลือแต่ขี้เท่าเหมือนกันหมดยรงเหมือนกันไหมไม่เหมือนเนี่ยนะคือขี้เท่าเนี่ยน ะ, ะถ้ามองในแง่แบบผู้ที่ไม่มีกรรมสศกตาอะไรเลยก็นึกว่า ทุกอย่างจบลงที่ขี้เท่าแต่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ทุกนี้ย่อมเกิดเพราะอาศัยอุปธิทั้งปวงน่นลทุกนี้เกิดเพราะอาศัยอุปธินี่ยคว่าอุปธิอันนี้เป็นชื่อของตันหูปธิทุกคืออุปาทานขันห้าเกิดจากอุปธิคือขันตันหาความเกิดแห่งกองทุกทั้งมวลเนี่ยนะขอห ความเกิดแห่งกองทุกขย่อมไม่มีเพราะความสิ้นไปแห่งอุปาทานทั้งปวงคือถ้าอุปาทานสิ้นกองทุกขทั้งมวลก็จกเป็นของสิ้นเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าสิ้นอุปาทานก็ถือว่าเป็นเป็นความสิ้นทุกเนี่ยนะพันความสิ้นทุกขอยู่ที่สิ้นอุปาทานพันผู้ใดที่เรียกว่าเป็นผู้สแสวงหามรรคผลนิพพานเนี่ยนะก็ควรแสวงหาความสิ้นอุปาทานถ้าไม่สแสวงหาความสิ้นอุปาทาน อย่างไรเสียก็ไม่พ้นจากทุกเนีย่ยนะเพะนั่นก็ข้อปฏิบัติหรือถ้าเราจะตั้งความปรารถนานะตั้งความปรารถนาเพื่อความสิ้นอุปาทานอันนี้เป็นความตั้งปรารถนาที่ชอบเนี่ยนะท่านจงดูโลกนี้พระพุทธเจ้าพูดกับตัวเองนะบอกว่าจงดูโลกนี้โลกคือพวกสัตว์วัตโลกทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเป็นจํานวนมากถูกอวิชชาครอบงํายินดีแล้วในขันธปัญจกะที่เกิดขึ้นแล้ว ก็ไม่พ้นไปจากภพคือสัตว์เนี่ถูกอวิชชาครอบงำใช่ไหมเพราะทุกคนไม่ได้มองเห็นว่าอุปาทานขันท่าเหตุเกิดของอุปาทานขันท่าความดับของอุปาทานขันท่าข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอุปาทานขันท่าอันนี้เป็นอวิชชาของเขาอะที่ถูกครอบงาแต่ในขณะเดียวกันก็เพลิดเพลินในภพเป็นอย่างยิ่งเพลิดเพลินในภพมีชั้นทาราคะในภพเพราะฉะนั้นก็เลยไม่พ้นไปจากภพก็ภพเหล่าใด เหล่าหนึ่งในส่วนทั้งปวงคือในเบื้องบนเบื้องต่าเบื้องขวางหรือว่าในส่วนทั้งปวงคือในสวรรค์อบายมนุษย์พบทั้งหมดเหล่านั้น่ล้วนแต่ไม่เที่ยง น, นะก็เท่ากับบอกว่าการเกิดณที่ใดที่การเกิดณที่ใ ด, ท, ด, ท, ใดที่มันเที่ยงอะนะมีไหมไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี เหมือนภาชนะดินที่ในช่างปั้นแล้วเนี่ยนะที่ปั้นมาจะสวยวิจิตพิสดารขนาดไหนที่จะไม่แตกทำลายไม่มีเพราะว่าสังขารทั้งหลายมีการแตกทำลายเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นภพเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาอันบุคคลผู้เห็นขันทปัญจกะคือภพตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ย่อมละภวะตันหาได้ คือเมื่อเมื่อเห็นความจริงของภพเนี่ยนะก็จะละความปรารถนาภพได้เมื่อเห็นความจริงของภ พ, นะะะ พ, งงพทุกภพที่ไม่เที่ยงล้วนแต่มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะก็ตัดฉันนราคะละความปรารถนาในอุปาทานขันห้าันละก็คือละความต้องการในอุปาทานขันห้าทั้งมวลทั้งไม่เพลิดเพลินวิภาวะตัณหาความดับด้วยอริยมรรตเป็นเครื่องสำรอกไม่มีส่วนเหลือ นะถ้าจะดับตัณหาจริงๆนะสิ่งที่เป็นปฏิบัติต่อตัณหาคือคืออะไรคืออริยมรรคนั่นเองอริยมรรคที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์จึงจะสำรอกจึงจะกําจัดตัณหาไนดะ้อย่างแท้จริงเนี่ยนะตัณหาเนี่ยอย่างครั้งก่อนที่เราเรียนเนติ บ, บอกว่าตัณหาเป็นเนติเหมือนกันแต่นําสัตว์ทั้งหลายไปสู่พบอริยมรรคเนี่ยนะนำสัตว์ทั้งหลายเพื่อความพ้นจากพบเนี่ยนะ หรือถ้าคมภีรใดที่สอนชี้แนะข้อปฏิบัติเพื่อให้ให้ถึงความพ้นจากภพคัมภีร์นั้นก็คือเรียกว่าอย่างเนเติะนะตอนเนเติเป็นคัมภีร์ที่นําไปสู่มรรคผลนิพพานะนะนะเป็นคมพีร์ที่นําไปแต่นําไปเพื่อพ้นจากภพตัณหานําไปเหมือนกันแต่นําไปสู่ภพนําไปสู่การเกิดท่านอริยมรรคคือคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคําสอนที่เป็นไปเพื่อความพ้นไปจากภพทั้งมวล เพราะความสิ้นไปแห่งตัณหาโดยประการทั้งปวงเนี่ยเป็นนิพพานเนี่ยนะความสิ้นตัณหาเนี่ยเป็นนิพพานเคยแปลนิพพานกันนะว่านิบวกวานะใช่ไหมยอะแยกศัพทนะ์นิพพานอ่ะนะนิบวกวาน ะ, อะวอแวนเนี่ยภาษาบาลีนิยมแปลงเป็นพอพานเนี่ยนะก็เลยเป็นพ า, พานะพานะตัวนั้นมาจากวานะและซ้อนพอพานมาตัวหนึ่งเรื่องอำนาสนธิเนี่ยนะก็เลยเป็นนิพพานเนี่ยนะก็คือนิบวกวานะวานะเป็นแปลว่าตัณหาเครื่องร้อยรัด นิตัวนั้นแปลว่าไม่มีก็คือตนิพานแปลว่าไม่มีตัณหาเป็นเครื่องร้อยรัดหมายถึงว่าอริยมรรคเมื่อมีพระนิพานเป็นอารมณ์ที่สงบระงับจากอาสังคตะธรรมทั้งมวลตัณหามันจะไม่ร้อยรัดอีกแล้วเพราะไรเพราะว่าตัณหาเนี่ยมันร้อยรัดขันให้มีขันร้อยรัดกรรมให้มีผลของกรรมร้อยรัดจากภพหนึ่งไปสู่อีกภพหนึ่งอันนี้เป็นเป็นกิจของตัณหาใช่ไหม ส่วนพระนิพพานเนี่ยสลัดออกจากเครื่องร้อยรัดทั้งมวลเหล่านี้ไม่ให้มีเครื่องร้อยรัดเพราะฉะนั้นก็ตัดเครื่องร้อยรัดตัดเหตุไม่ให้มีมีผลเนี่ยนะเป็นตัวที่ไม่เชื่อมผ้าขาดเนี่ยอะไรเป็นตัวเย็บให้มันต่อกันได้ตันหาเหมือนเส้นได้ถ้าเป็นสมัยนี้เขาใช้เหล็กกันนั่นนะเหล็กเนี่ยถ้ามันเป็นท่อนๆเอาอะไรมาเชื่อมอะ่ะอันนะไอตัวเชื่อมนั่นแหละประมาเหมือนกับตันหาเชื่อมจากขันให้มีขันเชื่อมจากพบให้มีพบ สรุปว่าเชื่อมจากทุกหนึ่งไปสู่อีกทุกหนึ่งนั่นเองเนนะเพราะฉะนั้นก็เลยถ้าไม่แทงตลอดพระนิพพานเนี่ยนะตัวเชื่อมมันมันขาดไม่ได้เพราะว่าในคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้สอนให้ไปบอกว่าเธอจงฆ่าตัวตายนะถ้าเธอไปฆ่าตัวตายแล้วเธอจับพ้นทุกข์ไอ้คาสอนแบบนี้ไม่มีเมื่อคําสอนไ ม, ม่มีก็ใช้สังขารเท่าที่มีอยู่เนี่ยไปจนถึงวันตาย แล้วข้อปฏิบัติทั้งหมดที่สอนคืออะไรคือข้อปฏิบัติที่บอกว่าปฏิบัติยังไงที่เรียกว่าทิ้งขันอันนี้แล้วอะ่ะจะไม่ถือเอาขันอันใหม่อย่างน้อยที่สุดนะพบที่แปดยังไงมันยังไม่เกิดได้เป็นอันใช้ได้ใช่ไหมในเรื่องต้นเลยเนะี่ยทำยังไงอะ่ะปฏิสนธิในพบที่แปดไม่มีที่เป็นมนุษย์นะอาบายไม่ต้องพูดถึงนะขนาดเป็นมนุษย์จะขออีกเจ็ดชาติหรือสันโดษกว่านั้นนี่กันนะโอ้ขอชาติเดียวก็พอละ บอกบางคนบอกไม่มาได้มันดีที่สุดแล้วว่างั้นนะว่าปริสนี้พ่านในโน่นแต่พรหมโลกก็ดีแล้วว่างั้นเด็เข้าพเพ้าโอ้โหถึงปรารถนาพรหมโลกอีกพรหมโลกก็ไม่เที่ยงนะก็ทําให้มันเสร็จวันนี้ไปจะเป็นรายไฟเนี่ยนะไม่ต้องไปรอวันหลังมันอะไรอีกนะก็ให้มันเสร็จเสร็จไปเลยนะมีไหมคนบางคนก็ชอบทําอะไรให้มันเสร็จวันเดียวมีไหมมีเยอะนะคนประเภทนี้มีเยอะแต่บางคนไม่ได้ก็แบ่งเป็นสเต็ปสเตปเออไม่ได้เห็นไหมพรุ่งนี้ ถึงส่วนนี้ปารีส น, นี้ถึงส่วนนั้นของเราเนี่ยนะส่วนใหญ่ทั่วๆัวไปเนี่ยนะขอพ้นจาก อ, อะไรขอถึงพนิพานในอนาคตตชาติเบื้องหน้า น, น, น, นู้นเะถินเนี่ยนะเราแสดงว่าโอ้โหระยะยาวมากนะโครงการระยะยาวก็ยังคือยังไม่ได้รีบจบอะไรนะ ก, ก็ไปเรื่อยๆอย่างนั้นแนตะ่ก็คือบางครั้งก็เห็นโทษของภพใช่ไหม อีพักหนึ่งเอมันก็เห็นโทษเห็นอสาธาบ้างเดี๋ยวอาทีนวะบ้างอสาธาบ้งางอาทีนวะบ้ง า, าบงก็อันนี้เป็นความจริงทําไมจึงเป็นอย่างนั้นก็บอกว่าเพราะอินทรีย์มันอ่อนเนี่ยนะอินทรีย์ห้าอ่อนคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่อ่อนแต่ก็มีอินทรีย์ที่แก่อยู่เหมือนกันเนี่ยนะจากขุนศรีก็แก่ไปเรื่อยๆนะโศตินศรียคาณินศรีย์ชิวหินศรีกายินศรีมณินทรียเนี่ยนะก็แก่ไปเรื่อยๆนะ ทุกขินซีนี่มีกำลังมากขึ้นมากขึ้นแต่ว่าสัตทินซีนี่มัน อ, อน่ อ, อนอเนี่ยนะไม่รู้เป็นไงเ พ, พราะถ้าหากว่าผู้ที่ปฏิบัติถึงความสิ้นตันหาเนี่ยนะคือไม่มีฉันทราคะใไหนอุปาทานขันทั้งมวลเนี่ยนะจะสิ้นฉันทราคา่าในอุปาทานขันได้ต่อเมื่อสิ่งที่ไม่ใช่อุปาทานขันเป็นอารมณ์เนี่ยนะจึงจะพ้นได้อั น, นั้นแหละที่เรียกว่านิพพาน พันพบใหม่ย่อมไม่มีแก่ที่โสนั้นเป็นผู้ดับแล้วเพราะไม่ถือมัน่นผู้ที่ดับจริงๆอะ่ะเพราะไม่ถือมัน่นไม่ถื อ, อยังไงไม่ถือว่าสังขารเป็นของเที่ยงไม่ถือว่าสังขารเป็นสุขไม่ถือว่าทำทั้งปวงเป็นอัตตาพั้นก็เท่ากับบอกว่าผู้ที่รู้เหตุเกิดความดับอัตสาธาอาธีนวะนิสรณะของมหาภูตรูปสี่ของอุปาทานขันห้าของภาษายตนาหก สามารถที่แทงตลอดว่ายังกินจิตสมุทัยธรรมมังยังกินจิตแปล ว, ว่าสังอุปาทานขันทุกชนิดสมุทัยธรรมมังมีเหตุเป็นแรงเกิด น, นะสัพพันธังนิโรธธรรมมังอันนะสังขารเหล่านั้นเนี่ยนิโรธเป็นชื่อของอะไรนิโรธนะเป็นชื่อของพระนิพพานถ้ามีพระนิพพานน ะ, ะยังกินจิตสมุทัยธรมมังสัพพันธังนิโรธธรรมมังถ้าแทงตลอดนิโรธอันะนะทั้งมวลเนี่ยจบกันนอันนะ ก็ก็ก็จบแต่ทีนี้ว่ามันไม่ของเราเนี่ยก็ได้ฟังว่าเออเขามีคนจบนะแต่ของเราก็ยังไงก็มีนักศึกษาคนหนึ่งนะเนขอบอกว่าเออเนี่ยปหีหนึ่งมันเร็วนะเขอบอกว่าหลวงพี่ปีหนึ่งมันเร็วแต่มันไม่ได้ผแลแปลว่าผมเนี่ยเรียนจบเร็วขึ้นเพราะปีมันเร็วที่ไหนว่า ง, งั้นนนั้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเออวันคืนล่วงไปล่วงไปเร็วชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเหลือน้อยเนี่ยนะแต่ว่าถ้ากิจในการประพฤติหรือการ อพิจารณาโดยแยบคลายโดยท้วนถี่ในอุปาทานขันท่าไม่พอก็ไม่มีอะไรมากนะก็เฝ้าขันท่าแค่นั้นเนะ่ยก็รับใช้ขันท่าต่อไปใช่ไหม <c oughs> ถ้าหากว่าผู้ที่แทงตลอดพระนิพพานก็เป็นผู้ที่สิ้นขันท่านั้นพบใหม่ย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้นผู้ดับแล้วเพราะไม่ถือมั่นครอบงํามารอย่างพระพุทธเจ้านะตอนที่พระองค์เปล่งอุทานในตอนนั้นเนี่ย พระองค์นี้ครอบงำกิเลสมาเนี่ยนะเทวปุตตมารและอะไรอภิสังขารมานได้ลนะครอบครัมครอบงำ ม, มานสองในในตอนนั้นนะ่ะด้วยอริยมรรคของท่านครอบงำ ม, มานสามนะเทวปุตตมานกิเลสมานอภิสังขารมานถ้าจุติจิตของท่านดับเมื่อไหร่ท่านจะครอบงำ ม, มัจจุมานกับขันธมานเนี่ยนะก็เป็นผู้ที่ชนะมารทั้งห้า แต่ถามว่าตอนที่พระองค์ยังมีพระชนอยู่เนี่ยนะชนะขันธมาเนี่ยยังยั่งเนี่ยนะป่วยบ่อออกไนงะนั่งเทศไปก็โอ้เดี๋ยวก็ปวดหลังลงนะนั่นไงเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่เป็นนักมวยปล้ำเนี่ยนะมีกําลังมากเอาคนอื่นตั้งเอลยอยกหมดนะเนี่ย <c oughs> นะกรรมอันนั้นก็เลยเวลาเป็นพระพุทธเจ้าก็เอลยอยกมั่งนะก็เลยปวดหลังเรื่อยเรื่อยนะั่นไะตอนเป็นนักมวยก็ดีนะถ้าล้มคนได้มันเป็นหมายชัยชนะอย่างยิ่ง่ไงนะแต่ว่าพอกรำมันให้ผลนะนะโอ้ย เดือดร้อนขนาดไหนเพราะว่าปกติสัตว์ทั้งหลายที่ที่เป็นคนพานเนี่ยนะก็สําคัญสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นแหละว่ามันเป็นสุขก็เลยหาแต่เหตุแห่งความเดือดร้อนให้กับตัวเองประจําเลยนะก็ลองถามดูไว้อะไรมั่งเนาะที่เราเนี่ยทําเพื่อความสุขแก่ตัวเองมั่งนะเคยทบทวนหูมั่งไหมว่าสิ่งใดนะที่เราทําเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ตัวเองจริงๆแล้วสิ่งนั้นเป็นเป็นประโยชน์จริงๆด้วยนะเป็นประโยชน์และเป็นความสุขด้วย นีในขณะเดียวกันก็มองระยะตรงเงินข้ามนะนะเอาอวัตตะหาระมาจับเนี่ยว่าเออแล้วตรงเงินข้ามแล้วสิ่งที่ทําเพื่อทุกข์แกตัวเองเนี่ยนะสองอย่างนี้แล้วเปรียบกันดูว่าอันไหนมากกว่ากันเหตุแห่งความสุขกับเหตุแห่งความทุกข์นะก็ขออนุโมทนากับผู้ที่ทําเหตุแห่งความสุขด้วยก็แสดงความกรุณากับผู้ที่ทําเหตุแห่งความทุกข์ด้วยเพราะอะไรเพราะว่าทุกเหล่านั้นไม่มีใครรับแทนกันใช่ไหม สมมติถ้าเราโทสะนะแล้วบาปมันให้ตกนรกนะพ่อแม่จะไปตกแทนเราไหมถึงจะรักเราขนาดไหนท่านก็ไม่ตกเผื่อเราอยู่แล้วเนี่ยนะก็ถือว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งมวลล้วนแต่เป็นของเฉพาะตัวนี่นะ